ที่จริงเนี่ยการลงโทษในโลกนี้มันก็มีอยู่เท่านี้นะเช่นลงโทษด้วยปานาติบาตก็คือสั่งฆ่าน้องนองของสั่งฆ่าก็คือสั่งเขียนสั่งโบยสั่งตีสั่งทุบเป็นต้นเนี่ยอันนี้ก็เรียกว่าสายปาณาติบาตใช่ <i> การลงโทษในโลกนะหนึ่งอันนี้กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองเรียบซับ์สั่งปรับสินไหมเป็นต้นเนี่ยนะสั่งปรับก็คือยึดทรัพย์พวกนี้ก็เรียกว่าอาทยาทางทางอะไรทางกายอีกอย่างหนึ่งหรืออีกอย่างหนึ่งก็เรียกว่า มันมีประเทศบางประเทศเป็นประเทศที่ยังป่าเถื่อนอยู่เนี่ยนะเขาบอกว่าวิธีการลงโทษเขาทำไงในครอบครัวใดมีความผิดเช่นใช่ไหิเป็นผู้หญิงเนี่ยนะไปทำความผิดอย่างใดอย่างหนึ่งประชุมสภาหมู่บ้านว่าเอาไปข่มขืนก็ว่ากั้น อ, อย่างนี้ก็มีอยู่นะซึ่งเรื่องนี้เกิดไม่นานเนี่ยไม่เมปีนี้ปีนี้แหละในบางประเทศเนี่ยนะมันก็ การเรียกว่ารุมโซมเป็นต้นนั้นก็ถือว่าเป็นอาจยาทางกายอีกอย่างหนึ่งเหมือนกันเนี่ยนะแก้แก้เรียกว่าลงโทษด้วยการอย่างที่ว่าไปบางทีก็ลงโทษด้วยวัจีทูเจเดชเช่นคำหยาบเนี่ยนะถูกด่า ถ, ถูกถูกด่าถูกอะไรอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่าเป็นการลงโทษอย่างหนึ่งหรือลงโทษด้วยการพูดเท็จให้เขาเสียผลประโยชน์หรือลงโทษด้วยการส่อเสียดให้เขา ราวร้านกันเนี่ยนะแตกแยกกันอันนี้ก็เรียกว่าลงโทษทางวาจาส่วนลงโทษทางใจอ่ะอนะก็คือน้อมที่จะเอาทรัพย์ของเขาอ่ะอยากได้ทรัพย์ของเขานี่เขาเรียกว่าลงโทษเขาทางใจเหมือนกันนะลงโทษทางใจอีกอย่างหนึ่งก็คือจิตคิดโกรธก็เรียกว่าเป็นการลงโทษจิตคิดเป็นอกุศลด้วยโลภะและโทสะก็เรียกว่าการลงโทษชนิดหนึ่งเรียกว่ามีอาทยาทางใจแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือ การเป็นมิจฉาทิฐิก็เรียกว่าเป็นการเอาโทษลงโทษทางทางใจเหมือนกันเรียกว่านี้พระอาหารหันต์ทั้งหลายท่านวางอาทยาทางกายวาจาและใจเป็นคําพูดที่พูดอย่างนี้จริงแต่หมายถึงท่านทําในสิ่งที่ตรงกันข้ามถ้าพูดดําติเตียนวัลละความดาแสดงว่าท่านอยู่กับธรรมขาวแปลว่าท่านประพฤติกายาสุจริตวจีสุจริตและ มโนสุจริญในสัตว์ทั้งหลายเนี่ยนะสัตว์เหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นสัตว์สะดุ้งหรือมั่นคงจะเป็นปุตุชนหรือพผ้าหันก็ตามท่านเหล่านั้นเป็นผู้ประพฤติกายะสุดเจริญวจีสุดจริญและมโนสุดเจริญโดยพื้นฐานกุศลกรรมบทดีเยี่ยมเหมือนกนคือมองดูเลยว่าไม่มีสัตว์ใดพึงถูกฆ่าไม่มีสัตว์ใดพึงเสียทรัพย์ไม่มีสัตว์ใด พ, ดพควรที่ต้องไปประพฤติผิดในการมหรือไปประพฤติอภิรมจรัน ไม่มีสัตว์เหล่าใดที่ต้องไปพูดเท็จไปพูดส่อเสียดหรือต้องไปพูดคําหยาบพูดสิ่งที่ไร้ประโยชน์ไม่มีสัตว์ใดที่ควรแก่อภิชาและพยาบาทไม่มีสัตว์ใดควรแก่การที่จะเข้าไปมีมิจฉาทิฐินะท่านก็เลยวางความชั่วทางกายวาจาและใจเขาเรียกว่าบุคคลวางอาทยาทางกายและใจภาษารีบุตรอธิบายกว้างขวางมาก คำอธิบายพิศดาอย่างเงี้ยของภาษาริบุตรท่านคําว่าไม่เบียดเบียนสัตว์เหล่านั้นแม้แต่ผู้ใดผู้หนึ่งไม่เบียดเบียนเลยคือความว่าไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่ผู้เดียวสัตว์ไหนก็ช่างเถอะไม่เบียดเบียนด้วยฝ่ามือไม่เบียดเบียนด้วยก้นดินไม่เบียดเบียนด้วยท่อนไม้ไม่เบียดเบียนด้วยศาตราด้วยสิ่งที่ทําให้เป็นแผลหรือไม่เบียดเบียนด้วยเชือกผูกมัด ไม่เบียดเบียนสัตว์แม้ทั้งปวงด้วยฝ่ามือด้วยก้อนดินด้วยท่อนไม้ด้วยเสอด้วยศาตราหรือด้วยสิ่งที่ทําให้เป็นแผลด้วยเชือกฉะนั้นเรียกว่าไม่เบียดเบียนสัตว์แม้แต่สัตว์ใดสัตว์หนึ่งเนี่ยนะไม่สร้างความลําบากให้แก่สัตว์แม้แต่นิดเดียวณณนะนะนะนะนี่เป็นสร์ปฏิเสธปกติขับสรรวลูกหรือบุตรบุตรมีอยู่สี่จำพวกด้วยกันนะบุตรที่เกิดจากตนหนึ่งบุตรที่เกิดในเขตหนึ่ง บทที่เขาให้หนึ่งบทที่อยู่ในสำนักหนึ่งนี่ก็ชื่อว่าเป็นบุตรเพื่อนนะนะเพื่อ น, อนๆนก็เออขอภัยลูกบางทีก็ลูกจริงๆเลยลูกแท้ๆลูกที่อยู่ในการดูแลเรียกว่าลูกอะไรนะลูกที่ในเขตหมเพราะว่าในในการดูแลของเราอันหนึ่งอันหนึ่งก็คือเขายกให้มาเป็นลูกหรือถ้าเป็นครูอาจารย์ที่มีสิทธิ์อยู่ในสำนักเนี่ยสิทธิ์ทั้งหลายก็นับว่าถือว่าเป็นลูกเรียกว่าบทสี่จําพวก คำว่าสหายสหายคือใครถ้าไปกับใครแล้วสบายมากับเขาก็สบายทั้งมาทั้งไปก็สบายนั่งด้วยกันก็สบายนอนก็สบายพูดทักทายกันก็สบายสนทนากันก็สบายปราศัยกันก็สบายกับชนเหล่าใดชนเหล่านั้นเรียกว่าสายไม่ใช่เจอกันแล้วเครียดเลยนะไม่ใช่ไม่ใช่สหายแน่นั่นศัตรูนี่ก็มาด้วยกันก็สบายไปก็สบายทั้งไปทั้งมาสบายหมด นั่งด้วยกันก็สบายนอนด้วยกันสบายพูดคุยยังไงก็สบายหมดเลยก็เลยเรียกว่าสหายถ้าตรงกันข้ามก็อาสหายไม่ใช่เพื่อแนแล้วเ <c oughs> มื่อกี้คาว่าบุตรกับคําว่าสหายณนะตัวแรกปฏิเสธคําว่าคือไม่พึงปรารถนาะบุตรสี่ประเภทจะพึงปรารถนาะสหายมาแต่ที่ไหนอธิบายว่า ไม่พึงปรารถนาไม่พึงยินดีไม่พึงรักใครไม่พึงชอบใจบุตรจกปรารถนายินดีรักใครชอบใจคนที่มีไมตรีกันมิตรที่เห็นกันมามิตรที่เคยคบกันมาหรือสหายจากที่ไหนเพราะฉะนั้นเรียกว่าไม่พึงปรารถนาบุตรจะปรารถนาสหายมาจากไหนลูกยังไม่เอาเลยว่าจะเอาเพื่อนมาจากไหนเหมือนกันแต่ของของบางคนเนี่ยนะ พยายามจะทําตัวเรียนแบบแบบนี้เป๊ะเลยโดยที่มีเพื่อนคอยกระซิบข้างในอีกตัวหนึ่งอันนี้เรียกว่าทิ้งเพื่อนภายนอกถือเอาแต่เพื่อนภายในใช่ไหมเพื่อนไหนเพื่อนสองไงทุติยเพื่อนคือตันหาคอยกระซิปบอกเอางี้สิเพื่อนเนี่ยเชื่อมันหมดแล้นะคําว่าผู้เดียวผู้เดียวเอโกเนี่ยนะผู้เดียวเนี่ยเป็นยังไงผู้เดียวเอโกนั้นหมายคําว่า พระปเจกพรพุทธเจ้านั้นเน่ะชื่อว่าผู้เดียวโดยบรรปชาชื่อว่าผู้เดียวโดยอัถะว่าไม่มีเพื่อนสองนะชื่อว่าผู้เดียวด้วยอัถฐว่าละตันหาชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากราคะโดยส่วนเดียวชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากโทสะโดยส่วนเดียวชื่อว่าผู้เดียวเพราะปราศจากโมหะโดยส่วนเดียว ชื่อว่าผู้เดียวเพราะไม่มีกิเลสโดยส่วนเดียวเพราะท่านเป็นไปตามเอกายนามัคอริยมัคอันประกอบไปด้วยองค์แปดที่เป็นทางสายเอกเพราะตรัสรู้ปัจเจกะสัมโพธิญาณอย่างยอดเยี่ยมแต่ผู้เดียวตรัสรู้แต่เพียงผู้เดียวโดยที่ไม่มีคนคอยบอกคอยกล่าวคอยแนะคอยนำคอยตักคอยเตือนคอยสั่งคอยสอนไม่มีเลย แ, แสดงว่าความรับผิดชอบในการเจริญกุศลธรรมสมบูรณ์เต็มที่ เห็นภัยในวัตฏะอย่างแรงกล้าโดยที่ไม่เรียกว่าไม่ต้องมีใครคอยบอกว่างัน้นอธิบายตามลําดับว่าพระประเจกขพุทธเจ้านี่ยนะผู้เป็นพระอรหันต์ชื่อว่าเป็นผู้เดียวโดยส่วนแห่งมันตชาเป็นอย่างไรพระประเจกขพุทธเจ้านั้นตัดความกังวลในคารวาัตคระนี่แปลว่าเรือนอาวาสาปแปลว่าการอยู่คารวัตแปลว่าการอยู่ครองเรือน นะพวกคารวาทั้งหลายคารวาก็พวกอยู่ครองเรือนเนี่ยนะตัดความกังวลไม่ใช่ในเรือนอย่างเดียวตัดความกังวลในบุตรและพระยาตัดความกังวลในญาติตัดความกังวลในการสังสมนะเลิกสังสมแล้วปลงผมและหนวดแล้วครองผ้ากาสายะคือผ้าย้อมน้ำฝาดออกบวชเป็นบันตะชิตถึงข เ, เข้าถึงความเป็นผู้ไม่มีกังวลอกิจโน เที่ยวไปแต่ผู้เดียวเที่ยวไปนะแบบไม่อะไรอาวอ์เลยนะเที่ยวไปทั่วเดินไปพักผ่อนรักษาบำรุงเยียวยาฉะนั้นเลยเรียกว่าพระปเจกับพระพุทธเจ้าเชื่อว่าเป็นแต่เพียงผู้เดียวโดยส่วนแห่งการบรรพชาเนี่ยนะบวชคนเดียวเนี่ยนะไม่ต้องหาหนาคู่เหมือนกันนไม่ต้องบวชเดียวเลยไม่ต้องมีนาคู่น้าสามน้าอะไรไม่มีบวชคนเดียวอันนี้เรียกว่าเชื่อว่าผู้เดียวโดย โดยการบวชโดยบรรประชาโดยเพศว่าไ ง, งนนะบวชแต่คนเดียวจริงๆต่อไปพระประเจกกับพุทธเจ้าชื่อว่าผู้เดียวเพราะไม่มีเพื่อนสองนะเป็นอย่างไรไม่มีเพื่อนเลยเงาแย่ทีเนาะเงาไหมเว้ยถ้าตัดตันหาภายในใจออกแล้วมันเลิกเงาแล้วไหนที่มันเงาอยู่ก็เพราะตันหาภายใ น, นบอกเอออยู่คนเดียวเง า, าเป็นต้นพระประเจกกับพุทธเจ้านั้นเนี่ยนะเมื่อบวชแล้วอย่างนี้ บวชแล้วก็อยู่ผู้เดียวอาศัยเศนาสนะไม่ว่าจะอยู่ป่าอยู่ป่าชัดที่สงัดวิเวกมีเสียงน้อยปราศจากเสียงกึกก้องปราศจากลมแห่งชนผู้สัญจรไปมาคือไม่มีใครเดินปาดหน้าปาดหลังตัดหน้าตัดหลังนี่ไม่มีสมควรทำกรรมลับของมนุษย์สมควรเป็นที่หลีกเล่นกรรมลับในที่นี้หมายถึงสมถะและวิปัสสนาน่ยนะ พระปเจกับพระพุทธเจ้านั้นเดินผู้เดียวยืนผู้เดียวนั่งผู้เดียวนอนผู้เดียวเข้าบ้านเพื่อบิณฑบาตผู้เดียวกลับแต่ผู้เดียวนั่งในที่รับผู้เดียวอธิษฐานจงกรมผู้เดียวเป็นผู้เดียวเที่ยวไปเที่ยวไปทั่วเดินไปพักผ่อนรักษาบำรุงเยียวยาเพราะฉะนั้นพระปเจกับพระพุทธเจ้านั้นเชื่อว่าผู้เดียวไม่มีเพื่อนสองนะไม่มีเพื่อน พระปเจกับพุทธเจ้านั้นชื่อว่าเป็นผู้เดียวละตันหาละตันหาเป็นอย่างไรผู้เดียวละตันหาเนี่ยนะ <c oughs> เพราะพระปเจกับพุทธเจ้านั้นเป็นผู้เดียวไม่มีใครเป็นเพื่อนอยู่อย่างนี้สรุปว่าวิเวกทางกายเรียบร้อยสมบูรณ์ดังกล่าวไปแล้วนี้เป็นผู้ไม่ประมาทมีความเพียรส่งตนไปไม่อะไรในร่างกายและชีวิต เริ่มตั้งความเพียรมากกำจัดมานพร้อมทั้งเสนามารที่ไม่ปล่อยสัตว์ให้พ้นไปจากอำนาจเป็นพวกพ้องของผู้ประมาทนะท่านก็กำจัดมานทั้งเสนาและบรรเทาทำให้สิ้นสุดให้ถึงซึ่งความไม่มีซึ่งตันหาอันมีตาข่ายตาข่ายที่เรียกว่าปกคลุมครอบคลุมเล่นไปสร้านไปในอารมณ์ต่างๆเรียกว่าเป็นผู้เดียวกำจัดมานกำจัดเสนามารกำจัด ตันหาที่มีตาข่ายเรียกว่าดาบอันคมกวาดแกว่งตัดตาข่ายเนี่ยนะที่มันเป็นเหมือนกระดักสัตว์เอาไว้คือตันหานั่นเองอั่างที่ตรัสเป็นคาถาประพันธ์ว่าบุรษุษมีตันหาเป็นเพื่อนท่องเที่ยวไปตลอดการนานของเราจริงก็ไม่ได้มาคนเดียวหรอกมาด้วยมาคู่หนึ่งนะมาอะไรมากระใครมากับตันหาวิถีแรกของพบทุกพบนะั่นตันหาเกิดก่อนนะครั้งแรกที่พอหลังจากปฏิสนธิจิตวิถีจิตชาวนะวิถีแรก ตันหามาก่อนปัะแสดงว่าตันหานี้เป็นเพื่อนโหสนิทชิดเชื้อกันมานานอย่ากสอนให้ละให้ยากเลยว่ากั้นคบกันมานานแล้วคบกันจนเกิดนี่นะมันพบต่อต่อไปครั้งแรกของทุกพบนี่เขาต้องมาก่อนอันดับแรกคือตันหาแปลว่าท่องเที่ยวไปด้วยกันตลอดกาลนานก็เลยไม่ล่วงพ้นสงสารคือขันธาตุอายตนะที่มีความเป็นอย่างนี้และเป็นอย่างอื่นเพราะฉะนั้นจากขันสู่ขันจาก อายตนะสู่อายตนะจากพบสู่พบจากกำเนิดสู่กำเนิดจากคติสู่คติจากวิญญาณทิติสู่วิญญาณทิติจากสัตตาวาสสู่สัตตาวาสวาก็เลยไม่มีความพ้นไปได้รู้แล้วว่าตัณหาตัวนี้เลยที่พาไปเนี่ยนะพาไปทั่วภิกษุพึงเป็นผู้มีสติให้มีสตินะสติปแปลว่าอะไร ตาญาณุปัสนาสติปฐานเวทนาจิตตาธรรมานุปัสนาสติปทานรู้โทษนี้แล้วรู้โทษของอะไรรู้โทษของตัณหารู้โทษของการเกิดในวัฏฏะและตัณหาเนี่ยเป็นแดนเกิดแห่งวัฏฏุกข์เป็นแดนเกิดแห่งสังสารทุกข์พึงเป็นผู้ปราศจากตัณหานนะให้ปราศจากตัณหาวิราคานี่เป็นชื่อของอริยมรรคเนี่ยนะพึงปราศจากตัณหาด้วยอริยมรรคไม่ถือมั่น น, นะไม่ถือมั่นนั้นไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นนี่แปลว่าอะไรปล่อยหมดเลยแบมือเลยใช่ไมอา้าวไม่ยึดแล้วนี่ไม่ยึดแปลว่าไม่ยึดถือสังขารโดยความเป็นของเที่ยงสุขยั่งยืนและอัตตานั่นและเรียกว่าไม่ยึดถือว่าเป็นของเที่ยงไม่ยึดถือว่าเป็นสุขไม่ยึดถือว่าเป็นอัตตาเว้นโดยรอบนนะละเว้นโดยรอบแปลว่ามีสติละเว้นตัณหาโดยประการทั้งปวง อย่างนี้แลเชื่อว่าเป็นผู้เดียวเพราะละตันหาได้กำจัดตันหาที่อยู่ในใจเนี่ยนะเลิกคือตันหาเนี่ยมันพายึดถือสังขารว่าเที่ยงศกยั่งยืนและอัตตาก็ปฏิบัติในอริยมรรคเพื่อกำจัดฉันทราคะเป็นต้นนั่นเอง